บริการพุทโธอุบายหนึ่งที่ได้ผลดีและก็เป็นที่นิยมมากทั้งในระดับคารวาสและพระกรรมฐานคือบริการพุทโธแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของอุบายนี้หรือกระทั่งเห็นว่าบริการพุทโธแล้วจะทําให้นึกถึงพระนิพพานได้โดยไม่จําเป็นต้องทําอะไรอย่างอื่นจุดประสงค์หลักของการบริการพุทโธคือ แปลสภาพจิตที่สุ่มให้คิดอย่างเป็นระเบียบคือแทนที่จะปล่อยล่องลอยไปนอกตามเอาเภอใจก็ให้มีเครื่องผูกเสบ้างแทนที่จะคิดร้อยเรื่องแล้วจาไม่ได้เลยหาสาระไม่ได้เลยว่าคิดสิ่งใดไปก็กลายเป็นคิดพุดโทโธคําเดียวและสํารวจว่าเราหลุดจากพุโทโธกี่ครั้ง หาสาระได้ทันทีว่าจิตเรานิ่งไหมมีความก้าวหน้าบ้างไหมเช่นคราวแรกภาวนาพุโทโธได้แค่สองหนแล้วเลือนคราวหน้าภาวนาได้ห้าหนเจึงเริ่มคิดทางอื่นเป็นต้นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดระหว่างคิดสมกับคิดแบบมีคำบริกรรมกํากับคือคุณภาพที่ดีขึ้นถึงแม้พุโทโธจะหลุดบ้างอยู่กับจิตบ้าง ก็เหนือชั้นกว่าขณะแห่งการคิดสมไร้จจดหมายมากมายนะักปัจจุบันมักจะมีพุทจับทั้งลมหายใจและพุโทโธพร้อมกันเช่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแต่นักภาวนาจำนวนไม่น้อยนิยมบริกา ร, รพุโทโธอยู่ในใจอย่างเดียวตรงนี้ก็ขอให้เลือกตามอธิยศัยโดยคำนึงถึงผลเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นว่า เลือกแบบใดแล้วใจมาอยู่กับพุโทโธจริงๆบางคนฝึกเป็นปีหรือหลายปีก็ยังเวียนอยู่กับจุดเริ่มต้นใจไม่ได้ไปโฟกัสเสทีเพราะ ก, กระโดดไปกระโดดมาระหว่างลมหายใจกับพุโทโธแต่บางคนบริกรรพุโทโธอย่างเดียวก็แกว่งไปแกว่งมาหาน้ำหนักไม่ได้อีกในที่นี้จะขอสนับสนุนให้ทดลองบริกรรพุโทโธอย่างเดียวก่อน เพืเกิดเครื่องวัดที่ชัดเจนว่าใจเราอยู่ที่ไหนอยู่กับที่ได้ไหมในพุทธโธอย่างเดียวไม่กวัดแกงไปทางอื่นได้ไหมส่วนใหญ่ผู้ภาวนาพุทธโธไม่ได้ผลจะเป็นเพราะจิตมีอาการคิดเป็นประลอกเล็กใหญ่ไม่สม่ำเสมอเช่นพุทธคิดยาวแต่โทรกลับสั้นห้วนหรือพุทธแล้วเว้นนา น, านกว่าจะนึกคาว่าโทรตามมา ความไม่สม่ำเสมอมีอิทธิพลกระทบอย่างสูงเบื้องแรกควรคิดรักษาจังหวะจากโคนรวมทั้งน้ำหนักให้คงเส้นคมวาอาจใช้อุบายคือเขียนพุโทโธใส่กระดาษไว้เรียงกันสักห้าคำคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธให้กว่าสายตาเหมือนอ่านหนังสือปกติการมีเครื่องช่วยกำกับสายตานี้ ขอให้สังเกตว่าจะได้ยินเสียงในหัวราบเรียบเสมอกันแตกต่างจากเมื่อเราไม่อาศัยเครื่องช่วยสายตาการบริการจะเลือกกำหนดให้เป็นเร็วหรือช้าหนักหรือเบาขอให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของจิตหากกำลังฟุ้งมากก็ควรนึกในแบบเร็วทีและหนักแน่นหากกาลังฟุ้งน้อยก็ควรนึกในใจแบบเนิบช้าและนิ่มนวล แต่ไม่มีอะไรอื่นที่สำคัญกว่าการเริ่มต้นอย่างคงเส้นคงวาเมื่อบริการไปเรื่อยกระทั่งเหมือนเริ่มมีเสียงพุทโธผุดขึ้นในหัวโดยอัตโนมัติแล้วจะเห็นว่าใจเราไม่เลือก แต่พุโทโธจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะให้เสียงค่อยลงดังขึ้นควรช้าหรือควรเร็วตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่สามารถใช้พิจารณาความไม่เที่ยงของเปลือกพุโทโธอันเป็นเพียงคำบริกรรมของใจได้กระทั่งถึงจุดหนึ่งจะเหมือนเกิดความตั้งมั่นผ่องใสของจิตสงบจากรู้สึกไม่อยากบริกรรมอีกต่อไปตัวจิตผู้รู้จะทิ้งคาบริกรรมเอง ตรงนั้นให้ถือเป็นภาวะพุโทโธที่เหนือกว่าคำบริกรรมขึ้นมาหน่อยหนึ่งขอให้ประคองความตื่นรู้เช่นนั้นไว้หากเกิดสติรู้ตัวว่าจิตอยากลงก็บริกรรมใหม่จนกว่ากระแสบริกรรมพุโทโธจะหายไปอีกก็ค่อยประคองอยู่กับรู้อีกด้วยการภาวนาในลักษณะนี้บางคนอาจเกิดพุโทโธแท้ขึ้นมาคือจิตที่เห็นตัวเองผ่านพุโทโธว่ามีความไม่เที่ยง ตั้งอยู่ในความแปรปรวนช้าบ้างเร็วบ้างหนักบ้างเบาบ้างเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาเมื่อเห็นชัดว่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งคำบริกรรมพุทโทธและสิ่งที่เหลือจากคำบริกรรมหายไปความเห็นแจ้งจนวางลงเช่นนั้นเองคือการเข้าถึงพุทโทธอันแท้ปราจะจากสิ่งใดๆให้เ อ, อ่ยอ้างถึง ยิ้มยิ้มน้อยๆเอาแต่มุมปากนิดเดียวกับอาการของใจที่เริ่มต้นกำเนิดรอยยิ้มจะรู้สึกถึงความอ่อนโยนความสงบเย็นความมีไมตรีหรือกร ะ, สะแสเมตตาอ่อนๆที่เกิดขึ้นก็ให้จับความรู้สึกตรงนั้นไว้ ผูกใจไว้ในจุดเดียวคือรอยยิ้มอันปราศจากการฝืนถ้าปกติเราขาดต้นเหตุที่กระตุ้นให้ยิ้มอย่างจริงใจพอยิ้มไปสักพักจะรู้สึกฝืนก็ขอให้มองตรงนั้นเป็นความรู้สึกอันเดียวกับความคิดฟุ้งแบบคลิสคลีให้แย้มริมฝีปากออกกว้างขึ้น